ขอเَ่าอินَันม ر ِ ي ك ُ م ْ آيَاتِي فَلَا ت َ س ْ ت َ ع ْ ج ِ ل ُ و ن ุ يقولون ما تهذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم. อนุจุหิมุนนาโรวา ب َ ل ت أ ِ ي ه ِ م ب ْ ت َ ة ً فتاه َ تهم ُ فلا َ يستطيعون ْ ردها. َ أ ل ا يستطيعون ََ رده ا ولا َ هم ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi ر ับช ر รฉล صدر ي و ยัสริอัม ي و ว حل الأقدة من لساني يبقىه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمزينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع ا س م จ شيء في ا ل ู ر ض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا و ب ا ل ร س ل ا م دينا وبمحمد الرسول ا ก ل ย่าง ن ้าพเจ้าขออวยพรพระเจ้า ب ر ربي ง ع و ذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم و ر ح م ว الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาดซุบฮ์หรือฟ ajar ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลา์เราขอบคุณอัลล์นะครับด้วยกล่าวด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลา์ูอัลลอฮุมลกัลฮัมดวลัุรอัลล์การสรรเสริญทั้งหลายเนี่ยเป็นของอัลล์ การขอบระคุณทั้งหมดนั้นก็เป็นของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนี่เป็นการสรรเสริญเป็นการชมอัลลอฮ์ที่ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเราทบทวนคุรานนะครับมาถึงส ah ุร้ออัลอัมบียะสุร้อที่ยี่สิบอ็ในคุรานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิรนะครับยังมีอีกั้งเท่าไหร่เนี่ย อย่เก้าิบกว่าส่วนแคงตายก่อนงานนี้นะตายก่อนจบ <c oughs> พี่น้องครับเราอ่านทบทวนมาถึงอายาที่สามสิบห้านะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้อายาที่สามสิบหกขอทวนอายาที่สาสิบห้านิดนิดหน่อยๆนะครับพี่น้องว่าเราเนี่ยได้อะไรบ้างจากจากอายาที่สามสิบห้าอายาที่สามสิบห้านะครับ ได้ความรู้ที่ได้จากอายานี้ก็คือกุลูนัฟซินซาอิคอตุลมาอเป็นเรื่องจริงที่อัลลอ์เล่าเรื่องจริงหมดเลยนะแปลว่าทุกๆชีวิตเป็นผู้ลิ้มรสแห่งความตายแล้วเรื่องจริงไหมจริงครับทุกคนตายหมดเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเมื่อตายเท่าตายเท่าไรก็เกิดเท่านั้น ทีนี้ตอนอยู่เนี่ยตอนอยู่บนอยู่บนโลกดุญญนยาไปนี้อลัลลอฮ์เล่านะชีวิตของของคนต้องอยู่อย่างนี้แหละวันน่าบรลุคุมบิชริวัลคอยีฟิตนะและเราได้ทดลองหรือว่าลองใจสู่เจ้าทั้งหลายด้วยการทดลองด้วยความชั่วให้เขาประสบกับความลำบาก ไอ้ชั่วเนี่ไหมเรื่องลำบากเรื่องไม่ถูกใจเรื่องไม่พอใจอัลลอ์ให้พบกับคนทุกคนเรื่องจริงไหมจริงครับแล้วต่อมาครับว่ารค่อยรพบกับความดีเรื่องไม่ดีและเรื่องดีอะไรมาก่อนเรื่องชั่วมาก่อนแล้วก็ดีมาทีหลังตามคุณอ่านนี้เลยให้มาทาไมครับฟิทนะให้มาเป็นเครื่องลองใจ อ๋อรอเนี่ยให้ลองใจเท่านั้นเองแค่นั้นอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยมีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งสุขมีทั้งรวยแล้วก็มีทั้งจนมีทั้งลําบากมีทั้งสบายมีทั้งบวดหัวแล้วก็ไม่ปวดหัวนะครับเป็นของคู่กันแค่นั้นจะจะสบายอย่างเดียวไม่ได้จะทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ใช่ เอาวันนี้ทุกต้องทำใจเดี๋ยวไม่ชา้าจะปัญหามาแล้วพอปัญหามาต้องทำใจเดี๋ยวปัญหาไปชา้าปัญหาหมดอย่างเงี้ยนะครับบางทีบ้านเดียวมีทุกพอตอนเย็นก็นมีสุขพอสุขดีเอ้าเมียป่วยแล้วนกะ็ลูกป่วยอ๋ออย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้จากคุณอ่านอัจจานีและจริงไหมจริงครับว่อไลนาตูรจอุนและยังอลัลลอ ยังเราที่สูนเจ้าจะถูกนํากลับอธิบายยังไงเดี๋ยวพอฟื้นพอตายล้วต้องฝังฝังแล้วต้องฟื้นขึ้นมาแล้วกลับไปยืนอยู่ต่อนหน้าอลัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งอลัลลอฮ์จะให้คะแนนวันนั้นจะสอบสวนแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนใครที่อยู่บนโลกดุนยาเบนี้มีฟิทนะเขาอดทนรางวัลอยู่ที่การอดทนนะ่ะอดทนครับแล้วคนที่อดทนเนี่ย ได้รับความสาเสร็จในชีวิตมาหมดแล้วเอ้ามาดูนบีนบีอิบราฮีมอดทนสุดๆตอนโยนสายไฟตอนโยนสายไฟพอะจะโยนอีกสัก5้านาทีสิบนาทีเนี่ยให้ยิบรีนมาถามจะให้ฉันช่วยไหมท่านนาบีอิบราฮมตอบด้วยความสง่างามเลยท่านฉันไม่เอาเอาใครอ่ะอัลลอฮ์นุ่ เพราะว่าอย่างงั้นพระองค์ลลอฮ์สั่งไฟเลยไฟเออเย็นอัลลอฮ์ไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะซาลาแมนเย็นอย่างเดียวก็ตายได้เย็นแบบน้ําแข็งอันจะเหลือหรอฉะ <c oughs> นั้นบาดันเย็นวาซาลามันแล้วก็สันติด้วยอัลฮัมดุลิลละนั่นคนที่อดทนนี่นะอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จหมดอัลฮัมดุลิลละเราก็เหมือนกันถูกเล็กๆ ล, น, ล น, น้อยน้อยนะ ถูกด่าบ้างอะไรบ้างก็อดทนถูกถูกตำหนิถูกนินทายิ้มบ้างก็ได้รออักบัติน้ามาตอบทุกเรื่องนะถ้าได้ความดีมาทําไงชุกฤษเยอะๆต้องชุกฤษเยอะๆเลยชุกฤษโดยการบริจาคชุกฤษโดยการให้อาภายัยชุกฤษโดยการทําบุญชุกฤษโดยการไปเยี่ยมเยียนครับมันมีอยู่หลายวิธีหลายร้อยวิธีนะคำว่าขอบคุณเนี่ยนะครับผม เอาวันี้มาอายาที่สามสิบหกว่าอิจรออัลกลีนักฟารูอียตั้งหุนักอิลลัฮูจุออาซัลลัลยัดคุรุอิลลัลิฮะตะคุม أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آ ل ِ ه َ ا, أ, إ ي ه ي ت َ ك ُ م ْ وَهُم ْ بِذِكْرِ ا ل رَحْمَانِهُمْ ّ ك َ ف ِ ر ُ و ن َ وَإِذَا ر َ آ َ ك َ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّاتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا อหซัลลัลยั๊ดค e pues ุรอาลีฮะตุคุมวะฮุมบิดคริรรัชมานิฮุมคาฟิรุน alhamdulillah อรลเราะห์เรื่องจริงๆให้มนุษย์ฟังตรงนี้มีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องอย่างนี้ ว่าอิด้ารออาขัลลาดีนักัฟฟารูเป็นขัลลาดีนักัฟฟารูคอนคัฟฟารูคือผู้ปฏิเสธผู้ปฏิเสธในวันนั้นหัวหน้าผู้ปฏิเสธรู้ไหมใครอบูอไรอบูยะฮัลหัวหน้ายายเลยแหละญาตินบี <c oughs> เป็นหัวหน้าผู้ปฏิเสธนี่อัลลอฮ์เล่านะเล่าให้คนที่อ่านคุรุอ่านวันนี้ฟังนะครับ วัยรอดกันและกันนะครับว่ารู้เมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธเห็นเห็นมูฮัมหมัดเห็นนบีมูฮัมหมัดเห็นีนไม่เห็นคนกาเฟตเห็นนบีลอวันนั้นอรรท์เล่าเรื่องจริงจริพอนบีเดินมาเนี่ยก็เห็นนบีเดินอยู่เห็นนบีเดินคนกาเฟตเดินไปเห็นนบีนั่งอยู่จะเห็นด้วยท่าไหนก็ตามเถอะทุกครั้งที่ก็เห็นเขาว่าไงรู้ไหม อีะตักให้ดูนะก็อิลลัฮูซุวซวนี่แปลว่าลอเลียนพวกเขายึดเอามุฮัมมัดพอเห็นหน้านาบีปั๊บเนี่ยเขาเอานาบีเป็นที่อะไรนะลอเลียนพอเห็นหน้านาบีปั๊บเนี่ยแทนที่จะชม โอ้นี่เป็นเบาวอัลลอฮ์นะนี่เป็นรสูลของอัลลอฮ์นะนี่เป็นคนดีนะยิ่งใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอัลลอฮ์เลือกมาเนี่ยแต่ภาษานี้ออกจากหัวใจของเขาไม่เป็นเพรเห็นหน้านาบีปั๊บเนี่ยเยาะเยยล้อเลียนทางทางเลยเออเห็นอย่างครับแล้ววันนี้นะนบียังถูกล้อเลียนไหม เรื่องผ่านมากี่ปีพันสี่ร้อกว่าปีแล้ววันนี้ก็ถูกรอเรียนนะครับหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าชาร์ลีเอฟโตใช่ไม่ใช่ก่อตั้งเมื่อปีสองห้าหนึ่งสามประมาณสี่สิบห้าปีมาแล้วคนที่ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ชื่อยอร์แบร์นีเย่แบร์นเย่ เป็นคนก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาเพื่อล้อเลียนนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวคุณอานพูดมาหน 1, ึ่งพันสี่รอปีคนศัตรูของอิสลามเนี่ยเวลาเห็นหน้านบีมุฮัมมัดนี่ทำไงหัวเราะเยะล้อเลียนอ้ามาดูคำล้อเลียนของคนในยุคก่อนเนี่ยนะในยุคนบียังมีชีวิตอยู่ล้อเลียนกี่อย่างประมาณแดข้อด้วยกันเจ็ดข้อเจ็ดข้อข้อที่หนึ่ง มุ h a m a d ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนช่างฝันในคุรานอธิบายไงนะอับู อ, บโโอลนบีเป็นคนช่างฝันข้อที่2นบีม hammad ถูกกล่าวหาว่าเป็นมายกากรซาฮิรซาฮิรเป็นมายากร น, นอ้อข้อที่สนบีม a m m a ถูกกล่าวหาว่าเป็นนัก ปลอมแปลง if ร a r o เป็นนักปลอมแปลงนะครับข้อที่สี่นบีมื่อมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกอัลลอฮฺอักบัดพูดโกหกท่น้าเอาอะไรมาสอนสอนโกหกทั้งนั้นแหละอัลลอฮฺอักบัดเอาข้อที่ห้านบีถูกกล่าวหาว่าเป็นมัจญูนอะ ไ, ไรมัจญูนบ้าเป็นคนบ้าถูกมาแล้วครับ ข้อที่หนบีมุฮัมมัดถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเล่นกลเรียกว่าซาฮิฟเป็นนักเล่นกลข้อที่เจ็ดนบีมุฮัมมัดถูกกล่าวหาว่าเป็นโหรเป็นกวีเป็นชาอิถูกมาหมดแล้วครับถ้าวันนี้จะถูกอีกไม่เท่าไรเพอาะถูกมาแล้วถ้าจะถูกอีกไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรแต่คนที่เดือด น, นักใครพวกเรา แต่นบีเป็นไงรู้ไหมสัพที่ดานาบีทั้งบทนั้นนะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ใดๆแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดแม้แต่น้อยภาษาทิดาที่แปดเจ็ดข้อเก้าข้ออะไรก็ตามใช่ไหมที่ถูกใส่หูนบีด่านาบีตําหนินบีว่าเป็นอะไรนะเป็นช่างฝันเป็นนักมายากลเป็นนักปลอมแปลงเป็นคนโกหกเป็นคนบ้า เป็นนักเล่นกลเป็นโหนเป็นกวีคำทั้งหมดเหล่านี้นะไม่ทำให้นบีสะเทือนไม่เกิดความทุกข์ใดๆกับนบีมุฮัมมัดสลุลตัลมเลยแล้ววันนี้เราเน่เดือดแทน <c oughs> เราเน่เดือดแทนใช่ไหมอัลลอฮอักบัดขอต่อมาต่อลอพี่น้องแล้วก็คำเยออเย้อรอเรียนนบีจะมีต่อไปเรื่อยๆเพ ร, ะพระาะภาษากุงอ่านว่าไง อิย t ตาคิรูนา a ะอิลลาหูจุอาพวกเขาจะยึดอิตตาข้อญ a ติยะตาคิรูปายุยต์คำว่ายึดเนี่ยเป็นเป็นแฟนบุบบ ร, รยแปลว่าปัจจุบันและอนาคตตอนท่านนาบียังมีชีวิตอยู่ก็ถูกตำหนิถูกด่าปัจจุบันนะและอนาคตในผ่านมากี่ปี พันสีร้อยปีก็ยังถูกตำหนิมีนักมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะัดตั้งขึ้นมาเพื่อรอเรียนนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวหรือรอเรียนมุสลิมทั้งโลกทั้งโลกตรงตามกรุรอานไหมที่อัลลอฮ์เล่าจริงไหมจริงครับเพราะนั้นเราเนี่ยเครียดอัลลอฮ์นบีถูกยเยอะเยอะมันอดไม่ได้ใช่ไหมแต่สำหรับนบีนบีไม่เคยเครียดเลยนีอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะนบีไม่เคยเครียดเลย แต่ลูกน้องนบีสิเครียดใช่อาต่อมาครับอฮาดัลลิยาสุกูรุอาลีฮาตากุเพราะเห็นหน้านบีปั๊บภาษาที่เขาออกมาว่าไงรู้ไหมอ๋อคนนี้แหละอฮาดาคนนี้ใช่ไหมเนี่ยตอนนบียังมีชีวิตอยู่ชี้นะมุอะมัดนี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมที่ยาสุกูรุอาลีฮาตากุที่อะไรนะ ที่พูดตำหนิพระเจ้าย่อยๆของพวกท่านมุฮัมมัดคนนี้ใช่ไหมนะที่พูดพูดถึงพระเจ้ารูปจเจวทละอุซามานาอตอัลลอ์ตำหนิหมดนบีเลิกบอกว่าอย่าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์นะภาษานี้ทำให้พวกนี้เคืองเหมือนกันนะครับที่มุฮัมมัดอับดุลวห์บที่ปราบชิริก ปราบอะไระทีนครมักมากาเน่ยที่มกักกาเ น, น่ยปราบปราบคูโบอ่ะเขาทําเป็นอะไรนะเป็นมกอมมกอมมากอมแบบตัวตะเกียเลยแหละที่มกักกาบีเยอะโอ้น น, น่ะมุฮัมมัดบินอันบุลวาฮาบเนี่ยเป็นคนคิดจะทำไงจะปราบชิริกันมันหมดจากมักกาสักทีหนึ่งก็ไปปรึกษากับกษัตริย์สองคนนี่รวมกันเพราะกษัตริย์มีอะไรนะมีอํานาจมีทหารไอ้นี่มีอิสลามมีซุน่านะบีบอกปราบ ท่านก็เอาทหารมาลุยพอเอาทหารมาลุยเสร็จแล้วนะไอ้นคนที่ถูกลุยเนี่ยมันเครื่องพอเครื่องเสร็จแล้วมันก็ตั้งแล้วนาะยอับดุลวาฮาเป็นว่าวาฮาบวาฮาบีฉะนั้นวาฮาบีเนี่ยเป็นภาษาดานไม่ใช่ภาษาชมคนที่ปราบชิริกปราบชิริกปราบบินอาเนี่ทั้งหมดถูกตําหนิหมดถามว่ามุฮัมมัดเบียมอุลวาฮามาทําดีหรือทําเลวทําดีครับ นี่ถ้าหากว่าไม่ปราบวันนั้นนะนี่มันร้อยกว่าปีแล้วนะถ้าไม่ปราบวันนั้นนะมันในมักกะนี่เต็มไปด้วยมะกลมมะกลมมะกลมพอพอก็โตตะเกียรยุทธยาเนี่ยแหละเต็มไปหมดเลยนะใจใจเราก็จะการาบใครก็ล่ะอันนี้ข้าพเจ้าอันนี้ข้าพเจ้ า, รจ า, รจาพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเต็มฉะนั้นคนที่ปราบสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกตําหนิไหมตําห น, น, นาิฉะนั้นนะบีมูฮัมมัดปราบชริกปราบดิดะในนครมักกะจบไหมจบแต่ว่ายังถูกด่าตลอดถูกตําหนิถูกล้อเลียน จนกว่าจะถึงวันเตียมมาเอาต่อมาครับวาหุมบิธิคริรานิหุมกาฟิรุนทั้งๆที่พวกเขาเองนั่นและกาฟิรุนแปลว่าปฏิเสธชิงชัง ต่อการเอยยิคริแปลว่าเอยเอยถึงใครอรัลหอฮฺมานพราผู้ทรงกรุณาประณีคนที่ดามุฮัมมัดนั่นแหละตัวแสบไม่เคยออ่นไม่เคยอื่ น, ไ ม, นไม่เคยเอยอัลลอฮ์เลยที่พระเจ้าย่อยๆนะ่ะเอยได้ไอ้พระเจ้าจริงๆผู้สร้างโลกชั้นฟ้าแผ่นดินไม่มีใครเอยเอา้าวใครจะเรีวกว่ากันอัลลอฮ์เนี่นะ อาหากูบินดีริเหมาะสมที่สุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรำลึกถึงเธอเอ่ยถึงก็คืออัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าเ ย, ย, ย, ย่อยๆวันนี้นะใครจะเอ่ยถึงโต๊ะตะเกียเยอยๆนะๆระวังนะถูกบันทึกต่อัอลลอยอัลลอฮ์เล่นงานในในกูโบนะฉะนั้นบุคคลจะต้องรำลึกถึงเยอะก็คืออัลลอฮ์ไม่ใช่โต๊ะตะเกียไม่ใช่โต๊ะระยองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่นี้ไม่ใช่ฉะนั้น ผู้ที่ต้องได้รับการสรรเสริญยกย่องชมเชยก็คืออาฮักกูบิกแลก็คืออัลลอ์สุบฮานาอูวาตาดาอาฮักกูบิลาบดีอัลลอ์เหมาะที่จะเป็นเจ้าของของมนุษย์และมนุษย์จะต้องแสดงตัวเป็นเบาต่อของอัลลอ์ตลอดแต่วันนี้คนที่ไปบูชารูปจะเวทอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยแสดงตัวเป็นเบาเป็นทาสของโตะระยอมมีไหมมี เป็นทาสของโตต ะ, ะเกียบมีไหมมีเป็นทาสของอะไรเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนเต็มไปหมดเนี่ยนบีมองภาพด้วยความสงสารบ่ดเลิกเธออนาคตคุณแย่นะวันเกียร ม, มาคุณถูกลงโทษจากอลัลลอฮ์นะเอาของดีๆมาสอนแบบนี้ยังถูกด่า ก, กับประชาชนที่ไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอลัลลอ์นะครับตัวล่าองอายานี้มีสองอะไรนะมีสองสองประเด็นประเด็นหนึ่งนบีถูก ถูกไรนะถูกลอเลียนถูกตำหนิถูกต่อว่าแล้วก็บุคคลผู้ที่ควรจะได้รับการสรรเสริญยกย่องชมเชยคืออัลลอฮฺยานี้สอนนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับคืออัลลอฮฺองเดียวเท่านั้นอัลฮามดุลิลลาฮฺพี่น้องอาตอมาอายาที่37ิบคก็ลินซานุมินอาจล ซาอูร a คุมอัลยัติ فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون الحمد لله เพิ่งรู้นิสัยมนุ อายานี่เล่าถึงนิสัยนิสัยที่อัลลอฮ์ไม่พอใจเราต้องการจะให้เปลี่ยนนะคเลกอลอินซานุมินาจัลรูมแปลว่าอะไรมนุษย์ถูกสร้างมาอินซานแปลว่ามนุษย์คลลเลก็แปลว่าถูกสร้างมินาจัลอาจัแปลว่าใจร้อนใจร้อนรีบร้อนมนุษย์ทุกคนที่อัลลอฮ์สร้างมานี่นะ่ย ใจร้อนหมดเลยใช่หรือไม่ใช่นี่บอกสันดานของมนุษย์บอกว่ามนุษย์ทแถวล่อสร้างมานี่นะเป็นคนยังไงใจร้อนไอคู่กับใจร้อนใจอะไรใจเย็นใจเย็นเนี่ยดีมากเลยใจร้อนไม่ดีรู้ใครว่าดีอใจร้อนดียังไงไปอยู่กับเมียเมี ย, มยก็บนไปอยู่กับผัวผัวก็วกก บ, บนไปอยู่กับลูกลูกก็บน โอ้ใจร้อนกู น, นี้เห็นอะไรปั๊บดาบเปี้ยงเลยเดือดฉะนั้นใจเย็นๆดีกว่าใจร้อนใช่ไหมเอามาดูคุรอานคูลิลกอินซานนมินอาจัลมนุษย์ถูกสร้างมาเป็นคนรีบร้อนอัลลอฮฺเป็นคนใจร้อนอัลฮัมดุลลาอาลยกตัวอย่างนาบีอาดัมคนแรกมีหัดดิษอธิบายนะก็เรียกฮัดดิษอธิบายคุรอาน น บ, บีสอนอยางีงนะครับข mm ้อเลือมุจาฮิตฟะลัมมาอัจยาอรุหะอินาฮิวาลิซานาหูเมื่ออัลลอตาราเป่าวิญญาณเข้าไปที่น บ, บีอาดัมเนี่ย mm hmm. พอวิญญาณมาถึงมาถึงเนี่ยมาถึงศรีรษะเนี่ยถึงตามาถึงลิ้นมาถึงมาถึงศรีรษะทั้งหมดเนี่นะพอวิญญาณเข้ามานยะยังไม่ลงถึงตัวเลยนะ มาถึงแค่คอนี่แหละเข้าไปถึงหูถึงตาจมูกเรียบร้อยแล้วนี่นะวะะมัมย่บลูกยังไม่ทันลงมาถึงข้างล่างเลยนะเอาช่วงบนอย่างเดียวนี่นะก็และอาดามพูดเลยพอมาถึงลิ้นนะพูดเลยยาอับบิโออัลลอฮ์อิสตากิลรีบรีบหน่อยบิคอลกีสร้างฉันให้ไวไวหน่อย อัลลอฮฺพองค์มากครับล่ะครูมิชามส่อรตะวันจะตกควรจะสร้างตอนเย็นมากกว่าสร้างอาดัมในวันสุบช่วงชายทายของของวันมาถึงช่วงเย็นๆนี่นะอัลลอฮฺวิญญาณยังไม่ถึงเท้าเลยยังไม่ถึงท้องเลยถึงแค่คอนี่นะยาร้อมดีอัลลอฮฺจ่ารีบสร้างฉันหน่อยเป่าวิญญาณให้จบไวๆอย่าให้ตะวันตก นี่นร้อนขนานี้เนี่ยเพราะเพราะเราคนแรกใจร้อนแล้วเราไม่ร้อนได้ไงอัลลอฮฺอยู่เรื <c oughs> อ่อยนี่บนะีอธิบายอัลลอฮฺมากๆเข้าใจเลยว่ามนุษย์นี่ถูกสร้างมาเนี่ยใจร้อนหมดแต่ร้อนมากไม่ดีี่ด้องจำมาเลยนะอย่าใจร้อนนะทุกอย่างต้องใจเย็นๆหมดเลยอัลลอฮฺเอาจะร่วมเรานอนกับภรรยาเนี่ยต้องใจเย็นเลยนะถ้าไงั้นอ่านดุอาไม่ทันนะ่ะ ท่านให้ไหมท่านอัลลอฮฺมาอินนีอะไรสนะักบันที่อ่านมรรด า, นานแล้วต้องใจเย็นเย็นหมดเลยอัลลอฮฺอักบะส์ท่านคนที่ปลอบใจคือภรรยาเนี่ยสามารถปลอบใจด้วยพี่ใจเย็นเย็นดูองค์อ่านนึกก่อนดีตัวอ่าโอ้เฮ้ใช่ใจใจร้อนไม่ได้นะครับซาอูอัต่อมาเรื่องเรื่องที่สองนะครับตัวหลวงว่าใจใจเป็นยไงนะใจร้อนหมดเลย ขดิษณนี้อักขูอานเขาอธิบายยืนอิฟนูกซิดอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างอาดัมมาในวันศุกร์สร้างมาในวันศุกร์แล้วก็ให้นบีอาดัมเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์ก็วันศุกร์นะแล้วก็ให้ออกจากสวนสวรรค์ก็วันศุกร์วันศุกร์นี่วันยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็อัลลอฮ์จะให้เกิดวันเตียมะโลกใบนี้ อะไรนะพินาฏหมดอายุก่อนวันศุกร์อัลลอ์แล้วก็วันศุกร์มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะบอกว่าช่วงไหนมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ขอดุอาแลวอัลลอฮ์รับเลยอัลลอ์ไม่ต้องไปยืนที่รามทองที่มากาักกะโรนี่แหละ ม, มิอะเมอละมะอธิบายเยอะนะช่วงอาซัตนี่แหละตั้งแต่นามานอาซั ถ, ถึงตะวันตกในช่วงนี้เป็นช่วงที่ อัลลอฮฺอักบาระนั้นสนยย่วนใหญ่เรานะไม่ได้นึกถึงอัลลอ์กันอา้าวชาวนาก็เอาควายเข้านาะคนเลี้ยงเป็ดก็เอาเป็ดเข้าบ้านใช่ไหมคนทำงานก็ออฟฟิศเลิกใช่ไหมขับรถอยู่บนถนนลืมอัลลอฮ์หมดนะ่ะฉะนั้นคนที่มีศาสนาจะนอนเองที่อ่านทธริทเยอะๆอัลลอฮ์ช่วงเย็นๆนั้นฉันต้องรำลึกถึงอัลลอ์ุบฮานนะแล้วขอดุอาต่ออัลลอ์ วันศุกร์เราก็ต้องนึกนะวันนี้วันวันวันกียวันมานต้องนึกนะเฮ้ยเราเตรียมตัวได้ยังอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอ้าวพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทีนี้อายานี้อธิบายอีกนะครับซาอูริกุมอายาตีอ่อนี่อัลลอฮ์บอกว่าฉันอัลลอฮ์จะแสดง ปูรีกุ้มเแสดงให้ท่านเห็นอายาติสัญญาณต่างๆของฉันแก่สูญเจ้านี่อยู่ไปอยู่ไปบนดุนยาใบนี้เนี่ยนะอลัลลอฮฺจะค่อยๆแสดงอายาตต่างๆหมายถึงอายาตอยู่ในกุณอ่านก็ได้อายาตที่เป็นเนี่ยเนี่ยต้นไม้ชั้นฟ้าแผ่นดินแล้วก็สิ่งอยู่ในท้องฟ้าเยอะแยะเป็นบทใช่ไหมอลัลลอฮฺจะค่อยๆแสดงให้มนุษย์เห็น พอเห็นภาพ إ ي م านมันก็เพิ่มขึ้นรับอิสลามกี่คนสองคนสามคนปีนี้รับอิสลามก็เยอะนะปีที่แล้วก็รับเยอะนะให้เห็นให้เห็นสัญญาณเรื่อๆน้อยๆอยัลลอฮ์ให้เห็นนี่อัลลอฮ์พูดว่าไงนะซาอูริกุมอายาตีฉันจ่าได้นะค่อยๆเอาสัญญาณของฉันเนี่ยแสดงให้มนุษย์เห็นค่อยๆให้เห็นทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องไปน้องพอเห็นแต่ละเรื่องนี้นะ อ ي م ا ن ขึ้นรับอิสลามกันก็เยอะแล้วก็คนที่แอนตี้อิสลามก็เหมือนกันคนที่ด่านาบี ม, ม, มุฮัมมัดคนที่ใจร้อนเห็น ม, มุฮัมมัดมาแล้วดาวอายาที่ผ่านมาใช่ไหมคนเหล่า น, นี้ก็ถูกลงโทษทีละคนสองคนสามคนเหมือนกันอลัลลอฮ์ไม่ใจร้อนโอ้โหเห็นอย่างครับไอเราเห็นใครด่านาบี ม, ม, มุฮัมมัดนี่ล้มขึ้นเลยอะแต่อลัลลอฮ์ใจเย็นเยนใจเย็น เดี๋ยวฉันจัดการเองอัลลอฮ์ all. เอ้าโดนี่อเมริกาเคยเป็นอะไรนะเป็นตำรวจโลกทำชาติาจะแย่และจีนจะขึ้นแหละเห็นยังอะ่คอคอะค่อยๆปาบพิลล่อนอนเรนอนเรานอนเราอรอรัสเซียเนี่ยเริ่มตกตั้งแต่ไปยึดอัฟกานิสถานนึกว่าฉันชนะแล้วแพ้ตายคนทั่วโลกอะ่ะโอ้โหอัลกบแล้ววันนี้ตึกวอลเทสที่บอกอสาอุซามบลลาดิน เป็นคนทำลายไม่ใช่แล้วหลอกกันเองใช่หรือไม่ใช่ใชค่อยๆมาให้เห็ น, นเถด อ, อ, อ, อ, อยละ น, น, น้อยละน้อยละน้อยลน้อยลน้อยละนอาอยน้ยะน้อยะน้อยละน้อยละน้อยน้อยน้อยละน้อยละน้อยละน้อ่ละอยละเรอ่ละองละอยละเรอ่ละองละอยละอย ล, ะ, อ ล, ะ, ลน ะ, ะน้อยละอยละน้อละนะน้ละน้ะน้อ้อยละน้อยละนอยะน้อยละน้อยน้อยลนอย่านน้อ้อยละน้อยนน้บยละนน้ะนนนนะ อยากให้อลัลลอฮ์เล่นงานเลยอยากให้อลัลลอฮ์เล่นงานคนที่ทำลายนาบีว่านาบีใช่ไหมเราว่าใจเย็นๆอาจาะนั้นใจเย็นดีไหมพี่น้องเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยมีอยู่สี่เรื่องให้รีบเลยอย่าไม่ต้องรอหนึ่งถ้ามีคนตายให้รีบฟังเลยนะมีคนตายอย่างตาย อย่างตายตอนต า, ตอ น, ต, า ต, อนตอนเย็นๆนะสี่โ ม, โมงห้าโมงฟังกลางคืนเลยไม่ต้องรอฟังเช้าประกาศทีวีไม่จําเป็นรีบฟังเลยลูกอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาไปไม่มีปัญหาว่าจะมาเราฉะนั้นถ้าถ้าตายตอนสี่โมงเย็นนะอย่าฟังเชา้าพวกนี้ไม่เอาฟังหลังนมาฎอิชามักริบนมาฎเลยลูกสาวนาบีหญิงฟาติมานะ่ตายในช่วงประมาณสักกเกือบจะจะจ ะ, จะมักริบอยู่แล้วแหละ พอนมาติชาเนี่ยจัดฝังเลยรีบอาบน้ำเลยศพยังสวยยังดีอยู่เลยคนอาบน้ำให้ก็สบายใจถ้าเก็บไว้โอ้โหบันทีมันอืดฉะนั้นรีบฝังข้อที่สองผู้หญิงแม่ไมเวลาเจอเจออะไรนะเจอสามีคู่ครอบให้รีบมีการเลยอย่ารอชา้าเดี๋ยวฟิชนาจะตามมาดีนาจะตามมาอะไรมาเต็มไปหมดให้รีบมีการซะ สมมีหนี้นะให้รีบใช้อัลลอฮหุอักวัดมีหนี้ให้รีบใช้ข้อที่สี่เวลาแขกมาให้รีบต้อนรับแขกเลยเอ้าเอานามาเอานุมาา น, นมามาบริการแขกสี่ข้อนี้ให้รีบเลยนะพนะี่น้องนะนอกนั้นใจเย็ยนๆได้ไม่มีปัญหานะครับใจเย็ยนได้นะครับเอาต่อมาครับอายาที่ส8ด ว่าะกลันั่นมาจากัลวาดอิ่งุณตุมสอดีกินว่าะกลันั่นมาจากจัลวาดอิ่งุณตุมสอดีกินอ่าลืมอธิบายอายาที่สามสิบเจ็ดนมีอีกข้อหนอึ่งจะต้องอธิบายนะถามว่า รีบเร่งกับแข่งกันทําความดีเนี่ยเหมือนกันไหมรีบกับแข่งกันทําความดีนะเหมือนกันไหมเหมือนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันอ่าพี่ท่าก็ต้องเข้าใจนะแข่งกันทําความดีเนี่ยนะคนนี้แข่งกับคนนี้ทําความดีภรรยาแข่งกับสามีในการทำนมาแต่ฮัดหยุดยกตัวอย่างเนี่ย สามีขึ้นก่ออาบนานามากรนามากรแล้วปลุกภรรยาที่หลังอันนี้ไอ้แข่งกันทําความดีแข่งกันเข้าหาอัลลอฮ์แข่งกันในการทําความดีอย่างงี้ไม่เรียกว่าใจร้อนนะครับแค่นั้นการแข่งกันทําความดีนั่นคือบรรดานับียรก็แข่งกันเหมือนกันบรรดาซูฮบานอับดุลเบียร์เขาก็แข่งกันคนชูฮดะเขาก็แข่งกันตายนะแข่งกันตายเลยแหละ อ้าวขอยกตัวอย่างคนที่แข็งท่านอะไรน่ะอ่าวอซีลุลมาลาอิกะฮังโซล่าท่านฮังโซล่าเป็นสหาย น, นบีออกทาสงครามแล้วก็ไปตายในสนามรบนบีเนีเห็นมาลาอิกะเนี่ยอุ้มฮังโซล่าเนี่ยแล้อาบน้ำระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินเอ้คนสหาย น, นบีก็ตายหลายคนเนี่ย แต่ไม่มีใครถูกนำเอามาอาบน้ำถามไปถามมาชื่อท่านธรรโซล่น บ, บีก็สงสัยอ่ะก็สั่งคนไปถามถึงที่บ้านไปถามภรรยาก็ภรรยาบอกว่าทันโซล่าเนี่ยแต่งงานคืนแรกร่วมรับนอนกับภรรยาเสร็จแล้วนะยังไม่ทันอาบน้ำหรือว่ า, าจะเริ่มอาบน้ำและ้วะยินว่านบีประกาศต้องการ คนไปช่วยสนามรบมาไปเลยอ่ะไปเลยไปถึงก็ไปอยู่แนวหน้าเลยแล้วก็ถูกชายฮีตในสนามรบอ้เห็นไหมแข่งกันตายใช่ไหมเนี่ย ท, ท, ทั้งๆที่อัลลัฮฺนิก้าใหม่ๆยังเราจะไปเหรอนิก้าใหม่ไปไหมไม่ไปใช่ไหมนั่นเห็นไหมแต่นนนคนนี้ไปอ่ะเลยมาไลก้ามาอาบน้ําให้อะัลลอฮฺอัลลอบดุลเบตเห็ไหม พราคนที่ตายเฉียดไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องน้ำมาดไม่ต้องกระฟันเพียงแต่ถอดอาวุธออกลุ่งเลือดติดตดอยู่ที่ร่างกเก็บไว้อย่างงั้นแหละในวันเกลี้ยงเมาจะไม่กลิ่นหอมมากเลยแต่ท่านคนนี้ฮันโซล่านี้อัลลอฮฺให้มะละอิก้ามาอาบน้ําให้เพราะมีจนาบะอ๋อเป็นคนที่แข่งกันตายนะครับเพื่ออัลลอฮฺสุภานะอุวาตาแหละนะครับเอาต่อมาครับ ว่าะกุลูนัตาฮาจัลวาดุอิงคุนตุมซอดิกีนข้อ38คนที่แอนตี Muhammad, ้นบีมุฮัมมัดแอนตี้อิสลามในพี่น้องครับอยากจะฆ่านาบีเหมือนกันเระวางแผนทั้งหมดเลยคนที่เห็นนบีถูกตำหนิมันกอ็อยากจะเล่นงานกันนะนะอ่ทีนี้อัลลอฮสั่งให้ใจเย็น ทีนี้คนที่แอนตี้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยพูดอย่างนี้มีอัลลอ์เล่าเองนะความรู้สึกของคนกาเฟตที่มีต่ออิสลามเนี่ยมียังไงพวกเขากล่าวแก่มุสลิมว่าหรือกล่าวเฉยเฉยหรือกล่าวตำหนิมูฮัมหมัดหรือกล่าวกับอัลลอ์ด้วยก็ได้หรือกล่าวกับมุสลิมพูดได้หมดนะนะเขาพูดว่าอย่างงี้มาตาแต่ว่าเมื่อไรอ่าฮาดัลวะดูสัญญานี้จะเกิดขึ้น สัญญาอะไรนะครับสัญญาว่าคนที่ทำบาปนาบีพูดใช่ไหมนบีสอนใช่ไหมสอนว่าคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์องเดียวคน ท, ที่ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดคนที่เป็นกาเฟตปฏิเสธอัลลอฮ์คนทินน้ำถือพระเจ้าหลายองค์คนทำชีริกคนทำบิน์อ่ะอัลลอ์จะลงโทษนบีพูดแต่ลงโทษเมื่อไรลงโทษส่วนใหญ่จะเป็นในวันเตียมะหรือหลังตาย ทีพวกนี้พอจะยินนบี ม, มุฮัมมัดสอนว่าใครที่ไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาอิสลามไม่เอาซุนนะนบีจะถูกอัลลอ์เล่นงานท่าเลยงท้าว่าไงนะมาตาฮัลวะดุสัญญานี้ที่ท่านนบีสอนว่าจะถูกลงโทษลงโทษเมืม่อไรจะมาและที่บอกว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงนำมาสิ นำมาให้ฉันเห็นก่อนฉันจะได้อีมานต่ออัลลอฮ์ว่านรกมีจริงว่าถูกลงโทษในในในกูโบเน่จริงหรือเปล่านำมาให้เห็นสักหน่อยสินี่ท้าใครนะท้านาบีท้าอัลลอ์ด้วยท้ามุสลิมด้วยใครพูดนะคนกาเฟร น, นี่อัลลอ์เล่านะอิงกุนตุมสอดีตีนถ้าพวกท่านมีความศัตว์จริง อัลลอฮฺอักบะตท้าวันกียรติถ้าววันกียรติมีจริงนำเอามาก่อนถ้าว่าถ้านรกมีจริงมาให้ฉันดูก่อนถ้าสวรรค์มีจริงนำมาให้ฉันมองก่อนให้เห็นก่อนในภาษาอุดูอธิบายอย่างนี้นะกาฟิรูเนกเตเดเตโฮเกยิมัดอาเอนเกออซับกาฟิรฮามิชาคลิย์โซักเมจัลเง่อัลลอฮฺอักบะต เขอธิบายบอกว่าคนกาเฟสนี่นะถ้าวันกิยามัดมาเมื่อไหรนะคนกาเฟสนี้จะอยู่ในนรกตลอดการแล้ววันนั้นจะไม่มีเสียงพูดแล้วจะเงียบกันหมดเลยอะแต่วันนี้ยังมองไม่เห็นอยู่ใช่ไหมที่ท่าทิ่ท่านาบีนาะเพราะอัลลอฮ์สั่งไว้แล้วว่าอัลลอฮ์จะไม่เอานรกมาให้ใครเห็นก่อนสวรรค์ชั้นก็จะไม่นํำ เอามาให้ใครเห็นก่อนชีวิตอยู่ในกูโบฉันจะไม่เล่าให้ใครฟังแต่ยังมีโตแท็บบางคนเล่าอยู่ก็มีใช่ไหมที่ฝันก็มีกองมักกาก็มีใช่ไหมผมจําได้เมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะฉันฝันเห็นนูน่นเห็นนี้และเขียนเขียนจนหมายใช่ไหมโต๊ะอะไร <c oughs> เอาให้ไปอ่านต่อแล้วก็ให้ไปถ่ายต่ออีกคนสิบแผ่นใช่ไหมถ้าใครไม่อ่านอ่านแล้วไม่ถ่ายต่ออ e ีสิบแผ่นจะถูกลงโทษ คนกลัวกันใหญ่ความจริงโต๊ะแท้ไม่มาตัวหะดีษก็สอนอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องอาศัยโต๊ะแซ้ไหนหรอกใช่ไหมตัวหะดีษจากอุษอ่านอธิบายชัดอยู่แล้วว่าคนที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษแน่ๆเอาดูฟาโร่ในบนดุนยานีใช่ไหมขวางนาบีมูซาแล้วผลสุดท้ายเป็นไงตายคนที่ไม่ขึ้นรือนบีนัวรอดหรือตายตายไม่ใช่ตายแล้วจบนะ ตาแล้วถูกลงโทษนหสุสานอีกอ่ะจนก่อนจะถึงวันเตรียมะน่ะเห็นหดอย่างฉะนั้นคนกาฟฟรีนเนี่ยทา้าท้าว่างไงนะมาตาฮาลัลวะดูเมื่อไรสัญญานี้จะเกิดขึ้นลออับลลบีสอนมาตั้งยีปีแล้วเมื่อไรจะขึ้นสักทีหนึ่งแต่อัลลอฮก็แสดงให้เห็นหลายเรื่องนะเาเช่นอะไรบ้างน้ำไหลออกมือ มือจะท่านนบีนี่ที่เป็นมวดยิ่าดนะน้ําน้อยน้ํากินก็น้อยน้ําอาบนั้นน้ำน้ำน้มาดก็น้อยไปจะสงครามหนึ่งน้ำไม่มีเลยอ่ะนบีเอามือใส่ไปใหนเลยในภาชนะเนี่ยอัลลอฮฺทำอาบทำกินทั้งอาบน้ำน้ำมาดทุกคนชาวบ้านนบีงงงงหมดเลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนบีผ่าดวงจันทร์เนี่ยผ่าจะเป็นสองอลามฮฺเต็มไปหมดอ่ะ อยากจะดูนรกจริงๆริงดูที่คนนั่นอลัลลอฮนะฺอัาาอลกุตะด์อัสซาให้อาลลมารตมากันเยอะแยะเป็นม้วนจีสารนะนะอลัลลอฮฺอักบะดไม่เชื่อจะจะดูว่านรกมีจริงหรือเปล่าลัตาได้ถูกลงโทษจริงเป่าถูกลงโทษยังไงอลัลลอฮฺอักบัด์นี่ครัำว่ามแมลงปลองอ่ะะ อ, งงปองอยู่ในกูโบหนพี่น้องแมลงป่องอยู่ในกูโบนะไม่ใช่มแมลงป่องดุนยานะมันเป็นมแมลงป่องโลกอาคือร่าง เอาใครลองอยู่ในกูโบเรามีแมลงป่องสังห้าตัวเดินมาอยู่ในกูโบเนี่ยเรียบร้อยไหมอ๋อหรออักบาดในขนาดตัวเดียวเทินผ่านมายังผวากันหมดเนี่ยใช่ไหมถ้าตัวเดียวนะตัวโตๆหน่อยวิ่งผ่านตรงเนี้ยพวกเรากระโดดไหยกระโดดอะเราอยู่ในกูโบน่ยกว้างศอกยาวซอกอย่าเหลืออะไรพี่น้องฉะนั้นไม่ต้องรอถึงวันเกี่ยง ม, มาหรอกเชื่อตามพี่นบีสอน Al อัลฮัมดุลิลละหุอักบาดนะครับเอาต่อมาอายาที่สามสิบเก้า ل ล้วَะรู้จักผู้ ا ีَจُรู้เ و, و ن ุผَที่ไม่หลุดพ้นจาก ي َ ك ُ ف าของตَไม่ ه و ุดพ้น ن าก و น้าตَของตนนั้นและไมُปราก ل َوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حينَ لَا ي ك َ ك ُ ف ْ ف و ن َ ع َ ن وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ذ ُ ه ُ و ر ه ِ م ْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ نَعُوذُ بِاللَّهِ ขอความคุมคของจากล้อนะเนี่ยหัตไอยะนี้สอนเรื่องนรกเชวันเกียรมะเลาอัลลมุลลาดีนกัฟารูกัฟารูผู้ปฏิเสธแปลว่าผู้ปฏิเสธยาอัลลมแปล ว, ว่ารู้บันท่าหากเลาแปลว่าถ้าหากถ้าหากบรรดาผู้ปฏิเสธได้รู้ถึง ไพ่ไนะไยแห่งเวลาไพนะแปลว่าเวลาหรือัยแห่งเวลาัยแห่งเวลามาถึงนะลายากุฟูนเอาอยู่ฮิฮิมุนซึ่งพวกเขาลายากุฟูนแปลว่าไม่สามารถไม่สามารถที่จะปกป้องไม่สามารถที่จะป้องกันไม่สามารถที่จะยับยัง้งยากุฟูเนี่ยนะ เอาวูจูหิหมุนนาฏแปล ว, ว่าไฟนรกวูจุแปล ว, ว่าใบหน้าถ้าหากบรรดาผู้ปฏิเสธได้รู้ถึงภัยแห่งเวลาซึ่งพวกเขาไม่สามารถจากการไฟนรกที่ลวกทางใบหน้าของพวกเขาได้ <c oughs> เป็นอย่างครับถ้าคนกาเฟรรู้ ภาแห่งเวลาที่ไฟจะลวกใบหน้าของเขาเขาไม่สามารถที่จ ะ, ะได้นะที่จะยับยั้งได้เลยตกมาวันไหนนะวันเกียรมาวันเกียรมานี่นะคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาโมฮัมหมัดนี่นะถูกไฟลวกที่ใบหน้าทุกคนถ้าคนจะวเฟซ ร, รู้นะ ภาษาที่ผ่านมาสองสามภาษาไม่มีใครกล้าพูดสกุล น, นะ ม, มั่ ม, มัดดามั่มัดไม่มีใครกล้าพูดเนะมื่รไรการลงโทษจะมาสัทีฉันรอมานานแล้วภาษานี่กอจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะ, จ, ะจะไม่พูดถ้าเขารู้ว่าเมื่อวันนั้นเมื่อไัยแห่งเวลามาถึงไฟที่จะลวกใบหน้าของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถที่จะปกป้องได้ป้องกันได้กันได้ เพราเขาไม่รู้แตกลงมีไหมมีแน่ๆครับนรกมีแน่ลวกอะไรก่อนครับลวกใบหน้าก่อนตามอญญายาเนี้ครับมาใช่น้ําธรรมดานะครับมาใช่ต้มมาใช้น้ำร้อนแค่ร้อยไฟเลยค่นะเนี่ยไม่ใช่แล้วเท่าไรครับมันเก้าสิบเท่านะอร้อนสุดๆนะครับพี่น้องลวกใบหน้าของคนที่ไม่เอาอิสลามนะครับแล้วต่อมาครับ ลูกที่ไหนต่อวาลาอังซูฮ uh ูรีฮิมซอรุนแปลว่าหลังแล้วก็จะมีน้าร้อนหรือเหล็กร้อนๆเนี่ยมาน้าเผาไหม้ที่ทางข้างหลังของเขาทําไมต้องนาบหลัง อ, ะอ่ะอ่ามันนั่งมันนั่งตัปสิทอธิบายดีมาทําไมต้องนาบหลังทําไมต้องนาบหน้าเพราะหน้านี่ปฏิเสธกูไม่เอามึงใช่ไหมล่ะ แล้วก็หันหลังใช่ไหมกูไม่เอาหันหลังปัดหน้าหลังอีกนี่ไงเฮที่เองปฏิเสธอัลลอฮฺปฏิเสธอิสลามปฏิเสธมุฮัมมัดปฏิเสธกูละเอาหน้าก่อนหน้าหน้าก่อนลวกหน้าก่อนพอพองนี้ก็ลวกแล้วนะลวกหลังเพราะหลังนี่ปฏิเสธหันหลังให้เลยเห็นไหมไปน้องครับนะอุบิลลาถ้าคนกาเฟ่รู้นะ ถึงการลงโทษของคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอิสลามไม่เอามฮัมหมัดไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาสฮาบนบีนะพวกเขาจะไม่กล้าที่จะขยับปากของเขาพูดตำหนิอิสลามแม้แต่คำเดียวแต่วันนี้รู้ไหมไม่รู้ต้องอ่านอาย่า น, นี่ถึงจะรู้ละใครละครับคุณเฉลิมต้องไปสอนนะครับให้คนนอนมุสลิมได้สบาจเอาต่อมาครับข้อเรื่องที่สามวลาฮุมยุนซารูน และพวกเขาจะไม่ถูกได้รับการช่วยเหลือสเรื่องนะพอวันเกียรมามาปับ๊บหรือว่าตายปั๊บเนี่ยรู้เลยสามรายการนี้มาเลย 1. นงไฟจะลวกที่ใบหน้าของเขาเขากันไม่ได้สองแผ่นเหล็กร้อนๆจะนาบหลังของเขาไม่มีใครกันได้เลยข้อที่สจะหาใครช่วย ก, ก็ไม่ได้ เอาสิ่งสักดิ์สิธิ์ช่วยได้ไหมนางปลาไหลทองช่วยได้ไหมตัวเลขที่ไปขูดขูดคนต้นไม้ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้อะไรที่อยู่ในมือช่วยได้ไหมอยู่ในคอช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เลยจะช่วยได้อิมานอย่างเดียวครับฉะนั้นนี่อัลลอฮ์เล่านะโลกใบนี้ฉันดูแลอยู่นะถ้าใครต้องการจะให้ตัวเองรอดปลอดภยัยต้องหาอิมานผมนึกถึงะ ลูกชายกษัตริย์เนยลูกชายกษัตริย์นี่ยเรียกโตคูคนหนึ่งมานั่งถามหมาฉันกับคุณนะใครดีกว่ากันโอ้ตครูคนที่ก็นั่งเครียดเขารู้ว่าถ้าฉันพูดว่าฉันเนี่ยฉันดีกว่าหมาก็ถูกฆ่าถ้าบอกอไอ้บางงี้ฉันจะตอบได้เหมือนกันก็ตอบเมื่อฉันใกล้ๆจะตายตอบเลยไม่รอตายนาน ถ้าหากตอบนถ้าหากว่าฉันนี่นะตายในสภาพที่ฉันไม่มีอ ي มานหมาท่านดีกว่าฉันแต่ถ้าหากว่าฉันเสียชีวิตหรือตายฉันไม่มีอ ي มานนะประชาฉันมีอ ي มานนะฉันดีกว่าสุนัขของท่านข่สารยิ่งเครียดใหญ่เลยอะไรวะอ ي มานเพราะไม่เคยได้ยิน إ ม م ا ن ไม่เคยได้ยินแต่ว่าดริงกิง้งใช่ั้ยกินเหล้าแดนซ์สิงเต้นรง ได้ยินภาษาเราทั้งหมดนะสัพ์อิมานไม่เคยได้ยินน่พะพอต่อมามาศึกษารับอิสลามอะ่ะอัลลอฮ์อิมานหมายถึงคนที่ว่าใครเป็นผู้สร้างตัวเองใครเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้ฟื้นขึ้นมาต้องอยู่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงอ๋อนี่อิมานเลยเนี่ยพอเรียนเรียนปรับอิสลามอา้าวจากนั้นเอาอยายะที่เทไรนะครับอยายะที่สี่สิอายะสุดท้ายนะครับ บัลท ت กทีหิมบักรถะทั้งฟัตบะฮะทุห์ม فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بَلْتَكْتِهِمْ بَعْتَهُ ف َ ت َ ب َ ه َ ت ُ ه ُ م ْ فلا ََ يستطيعون َََُِْ ردها َََّ ولاهم ََُْ ينظرون ُُْอัลลอฮฺอักบารพี่น้องอัยะนี้กระจ่างชัดเลยที่คนกาเฟตรอรอที่คนกาเฟตตำหนินบีว่าเมื่อไรจะลงโทษฉันฉันไม่เอาอิสลามทำไมไม่ลงโทษฉันมาล่ะทำไมคำตอบบัลตัดีฮิมบอรตะจัน แต่ว่าการลงโทษนั้นตะตีหิมจะเกิดขึ้นหรือจะมาการลงโทษที่คุณ ท, ท่าท่าท่าอยู่นี่นะที่เอาล็อประวิงไว้เนี่ยทั้งชีวิตของคุณเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษนี่นะให้แพะให้วัวให้ตำแหน่งให้รถให้บ้านให้ภรรยาอัลลอ์ไม่เคยลดเงินเดือนเลยอ่ะทั้งๆ ง, งที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยมุสลิมบางคนไม่เคยสูญย์ทั้งชีวิต อรรลลก็ให้บ้านให้ภรรยาให้รถให้ลูกให้ทีดินมีตำแหน่งมีชื่อเสียงดังไปหมดอรรรคไม่ลลเคยแตะสันนิตหนึ่งแค่วัดธรรมดา ป, ปลายปาสามเส้นเรื่องจิ๊บจิ้บเามาดูเรื่องใหญ่ตะตีหิมบากตาตันการลงโทษนั้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาบากตาตันโดยฉับพลันนี่ไงเรื่องใหญ่แล้วมาโดยไม่รู้ตัวครับ อาซาบของอัลลอ์นั้นมาโดยไม่รู้ตัวบ้าโดยฉับพลันอัลลอฮฺฮุอะบอยากให้รอถึงฉับพลันเลยแก้ไขปรับปรุงเตาบ้าตัวก่อนดีกว่าอย่ารอให้วันนั้นเลยพี่น้องเอามาดูคนที่แอนติอิสลามมาตายดีไหมล่ะเอา อ, บ, อ บ, บูอบูลหฮับอบูลหฮับนะญาตินบีนะ ปรากฏว่าแอนตี้นบีมาตลอดตอนตายเป็นไงรู้ไหมตายคนเดียวตายคนเดียวอืดเ น, น่าแล้วเพิ่งคนจะรู้ระดับบิ๊กขนาดนั้นตายคนเดียวได้ยังไงเสร็จแล้วก็เป็นไงรู้ปล่าลูกหลานก็มาไม่ทำเองแล้วนะจ้างนิโกรคนดำดำเนี่ยเอเอาเอาเอาเอาศพพ่อเนี่ยไปฝังหน่อยดูสิ ถ้าตายแบบอิสลามมีกี่ข้อหนึ่งอาบน้ำสองกระฝันสนำมาดสี่ฝังแต่ตายแบบไม่มีอิสลามดูสิเขาเอาศพเนี่ยไปวางยกไปไปวางอยู่ริมอยู่กลางบนดินวางบนดินเลยแล้วก็ขุดขุดขุดขุ ด, ด, ดพอลึกดีเอาไม้เนี่ยเขลียเคียลงหลุมอะ่ะแล้วก็เอาดินกบเฮ็ดยังภาพอย่างนี้น่ กับภาพมุสลิมตายมีสี่อย่างคนไม่เอาอิสลามเป็นไงครับมีพี่น้องชาวพุทธอยู่คนหนึ่งเจอผมก็บอกอัลลอ์ขบวนกานพ่อผมเนี่ยกับแม่ผมเนี่ยนะแม่รับอิสลามแต่พ่อไม่ได้รับไล่ฟุงฟังนะแม่เนี่ยเหนื่อยวันเดียวตอนแม่ตายเหนื่อยเหนื่อยเนยเนื่อยวันเดียวจบเลย แต่พอพ่อตายอ่ะเหนือยต้องสิบวันเหนือยต้องสิบวันแต่แม่เป็นมุสลิมเหนือยวันเดียวฝังแล้วจบเลยแต่คุณพ่อฉันโมโลต้องเหนือยตงสิบวันอยากแยะออกเลยโอโล๋อแล้าคนมีธุรกิจไปไม่ได้ต้องอยู่กับพ่อเห็นไหมแต่พ่อกว่าก ว, า ก, ว, า ก, วากว่าจะฝังกว่าจะเผากี่วันอย่างน้อยกับบางคนว่ายบินเป็นไปไดเป็นร้อยวันนะ คนแบบสี่สิบวันสิบวันสี่ห้าวันเจ็ดวัน น, น, นี้ก็เหนื่อยมาเหนือ่อยโอ้หลายคนตาตาสว่างโอ้โหเอาไปนองเอาตรวจสอบว่าการลงโทษที่คนกาเฟตต้องการแล้วถามหาว่าเมื่อไรเมื่อไรจะมาสัทีนะเอารอตอบแล้วนะเมื่อไรนะบักตาารตจันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะครับจะเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ฟ า, าตบบาฮาตูฮมุมแล้วพวกเขาจะอะไรนะงงงวยพวกเขาจะสับสนตบาบาฮาตุฮมุมพอเกิดภาพเนีวยวายกันเลยอ้าวทำไมอลัลลอฮ์ทำอย่างงี้กับฉันล่ะอ้าวอลัลลอฮ์บอกแล้วในคัมภีร์อนลัยไม่อ่านล่ะ <c oughs> บอกไปแล้วนคัมภีร์กูอ่านดนั่นการลงโทษนะจะเกิดลงโทษแบบฉับไวและกระฐานหันนะครับแล้วทําให้พวกเขางงงวย ต่อมาครับฟาลายสตาติอนาโรดาดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถที่จะผลักดันให้พ้นไปได้เลยพอมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะ่ะยอมสยบหมดเลยต่อมาครับวาลาฮุมยุนโซรูแล้วพวกเขาจะไม่ถูกประวิงยืดเวลาอีกแล้วเพราะว่าเอาลอบประวิงเวลาให้ ฉะนั้นการประวิงเวลาวันนี้ที่ไม่ลงโทษน่ะหนึ่งเพื่อให้เราเตาบ้าตัวสํานึกผิดขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์เล่าในาคาัมภีร์ลกุรอานแล้วนะฉันไม่ประวิงแล้วนะวันลงโทษมาจบวันนี้ประวิงให้ให้ท่านกลับเนื้อกับตัวจะ ด, ดาอัลลอฮ์แค่ไหนเชิญประวิงให้กับตัวจะ ด, ดานาบับดุมฮัมหมัดแค่ไหนกับตัวซะแอนติซู น, านา่าอับดกับตัวซะให้เวลากับตัวตลอด ถ้าถึงวันสุดท้ายจริงๆคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขและปรับปรุงอีกต่อไปพี่น้องครับนี่คุรานนะครับ Allah, อัลลอ์ตรัสสอนเราเตือนเราให้เป็นคนนอบ น, อน้อมถ่อมตนสัมอานะวะอัตปนะเมื่อได้ยินอะไรอัลลอฮ์สั่งเชื่อเลยแต่คนกาเฟสสัมอานะวะอัซอยนะได้ยินแล้ววดปฏิเสธแล่อย่างนี้เป็นตนมม้น Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.